วันนี้มีคนจีนมาฟังเยอะนะคนจีนเขาสนใจการปฏิบัติ้าสนใจการปฏิบัติแล้วก็ลำบากอัน แ, แรกเลยธรรมะมันอยู่ที่เมืองไทยต้องมาเรียนภาษาเป็นอุปสรรคพวกเราคนไทยได้เปรียบ เกิดมาก็เจอศาสนาพุทธแล้วเจอวัดเจอพระเจอตู้คำผีแต่ไม่สนใจมันเบนกกรรมตรงนี้แหละคนอื่นอยู่ไกลเข้าสนใจคนอยู่ใกล้ๆคุ้นเคยไม่สนใจโบราณเ็าบอกว่าเหมือนกบเฝ้ากอบัวกบ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 ฟังธรรมะไปก็ฟังด้วยความรู้เนื้อรูร้รตัวอยู่ไม่ต้องตั้งใจฟังจําทุกถ้อยคําหรอกเวลาที่เราฟังธรรมะนะเราทําใจสบายๆรู้เนื้อรูร้รตัวอย่าให้เคลิ้มไปอย่าไปนั่งสมาธิจนเคลิ้มลืมตัวเองไปมีความรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติตามธรรมดานี่เองรับฟังไปตอนไหนที่กระแสธรรมะที่ครูบาอาจารย์แสดงนะมันไม่ได้ตรงกับของเรา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 แต่ไม่ขี้เกียจนะต้องมีฉันทะอยากกับฉันทะไม่เหมือนกันฉันทะเนี่ยเป็นความฝ่ายดีต้องการทำอะไรที่ดีดีตัณหามันอยากไปตามอำนาจกิเลส ต, ตามอำนาจราค้าบ้างโทษาบ้างมันลากเข้าไปอย่างเราพอนาเรามีฉันทะเรามีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้ดูกายดูใจขยันดูกายดูใจยนี้ไม่ได้ทำหรืออยากทาเพราะเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นของดีนําความสุขมาให้ถ้าอยากมันจะอยากได้ผลอยากได้ผลเร็วๆภา ว, วนามาแล้วนั่งนับวันนี่ได้เจ็ดวันแล้วในพระใจตรปโฎกว่าเจ็วันบรรลุพระอรหันต์ก็มีทําไมเราไม่บรรลุสติถ้านั่งนับต่อไปเจ็เดือนแล้วเดือนที่หนึ 2, ง่งเดือนที่สองยังสบายใจมาเดือนที่ห้าที่หชักร่วมใจใกล้เจ็ดเดือนแล้วเมื่อไหร่จะได้ถึงเดือนที่เจ็ดแล้วก็ไม่ได้อีก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 อย่างเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปเดินจงกรมนะเราก็บังคับตัวเองต้องเดินท่านี้ต้องเดินที่นี้ด้วยบางคนนะเดินที่อื่นไม่ได้ต้องทําทางจงกรมไปที่บ้านอันหนึ่งนะถึงเวลาไปทุ่งที่ไหนก็ตามถึงเวลาเร่รีบกลับบ้านขับรถหัวซุบหัวซุนมานะวิ่งตักๆๆกักตขึ้นหัวทางจงกรมนี่ถึงจะเดินได้ไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงที่วิง่งตักๆๆมานะั้นะนะรู้สึกตัวไปก็เดินจงกรมอยู่แล้วนะเนี่ยมันติด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 ตรงที่มีแล้วมันหายไปมันไม่มีเนี่ยเรื่องอ น, นิจจังดูจิตดูใจก็จะเห็นอีกอย่างหนึง่งเห็นอนัตตาดูง่ายอนัตตาดูจิตเนี่ยดูให้เห็นทุกข์ยากนะ้าดูจิตแล้วมันจะมีความสุขเยอะใจไปติดว่างๆติดความสุขใช้ไม่ได้ถ้าดูจิตดูใจนจะเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย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 ถ้าเข้าใจตัวนี้นะจะข้ามโลกแะ้วจะหลุดออกจากโลกล้วไม่ได้บ้านะไม่ใช่หลุดโลกภาษารุ่นของเราแล้วหลุดโลกต้องแบบแปลกๆไปเลยนลหลุดออกจากโลกใจสลัดคืนกายกายนี่แหละโลกคืนใจแบบใจนี่แหละโลกขันห้างนี่แหละโลกนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพระเจ้าสอนอะไรเรียกว่าโลกโลกก็คือรูปนามเองะ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 ธรรมะบางอย่างนะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนนะใช้เวลานานใช้เวลา น, านานมากในบางเรื่องอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังบอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูแล้วก็นึกว่าให้ดูคน ด, คนดูพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกทุกมันเหมือนมันทํางานอยู่กลางหน้าอกเนี่ยปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงทีไร ท, ทุกทุกทีเลย กระทั่งปรุงสุกนะยังทุกเลยรู้สึกยังใครเครเห็นว่าว่ามันปรุงความสุขขึ้นกลางเน้า อ, อกนะพอปรุงขึ้นมาปุ๊บนะมันคือตัวทุกเลยนะเนี่ยมันมีแต่ทุกนะปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานี่คนจีนเห็นนะนี่คนจีนเห็นนะคนไทยยังงง ง, งอยู่เพราะว่าฟังมานานคนจีนเพิ่งฟังใหม่ๆหมหเห็นนะมันปรุงขึ้นมานะเห็นเนี่ยสงสัย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 หลวงปู่สุวัตเนี่ยหลวงพ่อบวชได้พรรษาเดียวนะออกพรรษาไปท่านก็สิ้นละหลวงปู่เหรียญ น, นี่ยหลวงพ่อบวชได้สี่พรรษาท่านก็สิ้นละพวกเราหมดครูบาอาจารย์ที่เราคุ้นเคยและอย่างหลวงตามมหาบว ย, ยังอยู่แต่ไม่คุ้นกับท่านรู้เลยเข้าไม่ถึงแล้ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเข้าถึงท่านเคยไปเดียกับท่านงหลังๆแต่ท่านออกมาช่วยชาติเนี่ยคนรู้จักเยอะเข้าไม่ถึงยาก เลยต้องช่วยตัวเองนะค่อยดูค่อยดูไปค่อยสังเกตไปใช้เวลาตั้งยี่สิบปียี่สิบปีจากที่สงสัยทรรมะอันนี้นะถึงได้รู้ขึ้นมาว่ามันอันเดียวกันอันเดียวกันตรงไหนตรงที่ว่าเวลาเราภาวนาให้เรารู้ทุกข์นั่นแหละถูกแล้วแต่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้พอเรารู้ทุกข์แก่แจ้งนะ้มันระ ว, วังทุกข์เป็นลำดับลาดับไปวางทุกข์ที่อยากออกไปก่อน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 มาส่งกันบ้านมางคนบอกกัญยาณมิตรบอกบอย่างนี้นะ <_ C 1> ไปไหนก็มีแต่กัญยาธรรมิตรสอนมาสอนมาผิดผิดถูกๆเลยเยอะมากเลยกัญญาธรมิตรบอกเนี่ยทําไมไม่ใชโยนิโสมนานศิการให้มากแยบคายในการสังเกตตัวเองสิ <_ C 1> สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า <_ C 1> ไม่ใช่แต่ฟังคนอื่นเรารู้ได้ยังไงว่าใครเป็นกัญยาณมิตร อาจจะเป็นป่าปมิตรก็ได้มิตรที่พาทำบาปนะพาเราภาวนาดีๆพาเราเสียก็ได้งั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นง่ายนะจุดสำคัญน่สังเกตตัวเองให้มากเลยว่าที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างท่านสอนว่าความปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราเห็นหอย่างนั้นหรือเราเห็นว่ามีสิ่งใดเที่ยง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 ไม่ใช่พวกเปาะแปะต่อ แ, แปะให้ครูบาอาจารย์โหนะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อโหนะหลวงพ่อพราโมดเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อโอ น, ะอโนอโอแน่นอนนะงั้นเรียนเราต้องสู้เอาเองสังเกตเอาเพราะอะไรทําไมสอนอย่างนี้เพราะหลวงพ่อผ่านมาด้วยวิธีนี้นะสู้มาด้วยวิธีนี้เราอยู่ไกลครูบาอาจารย์หลวงพ่อพนานตั้งแต่เป็นโยมเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเวลาส่วนใจเอาไว้ทํามาหากินนะอันนี้พูดแบบสุภาพนะ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 ไม่ไม่ค่อยพลาดอ่ะเข้าไปหาองไหนองคไหนไม่คยพลาดนี่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครจะสอนเราได้ใครสอนถูกใครสอนผิดทุกคนที่ออกมาสอนเนี่ยรุ่นแต่บอกว่าตัวเองสอนถูกทางนั้นแหละถ้าจะให้ว่าคนอื่นคือว่าคนอื่นผิดนะถ้าถ้าตัวเองก็ต้องถูกเหมือนกันหมดทุกที่เลยนี่นเราไม่เรางฟังใครมากหรอกเราสังเกตเอา อะไรที่สอนคล้องกับคําสอนของพุทธเจ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราสํารวจตัวเองจริงๆนะว่าเราทําตามที่พุทธเจ้าสอนจริงหรือเปล่าบางคนบอกพานามาตั้งเจ็ดปีแล้วไม่ได้สักีถามว่าทําตามที่พุทธเจ้าสอนได้ที่ท้วนดีไหมท่านสอนให้มักน้อยเรามักมากหรือเปล่าท่านสอนให้สันโดษเราโลภเราโมบโลกมากไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีหรือเปล่าท่านสอนว่าไม่ครุกคลีเราชอบครุกคลีหรือเปล่า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 ค่อยฝึกนะแล้วมันจะเห็นความจริง ป, รปัญญาเกิดเนี่ยมันจะได้อีกข้อหนึ่งไม่เนิ่นช้านันะลักษณะธรรมะของผู้เจ้านะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารกความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาไม่เนิ่นช้าถ้าทำมาทั้งสามปีแนละ้วก็ยังเหมือนเดิมต้องรีบทบทวนนะหรือทำมาสามเดือนแล้วก็ยังคงที่อยู่ต้องทบทวนแล้วลนะ่ะถ้าต่ากว่าสามเดือนก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะ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 อย่าว่าแต่เดือนสองเดือนสามเดือนเลยเนี่ยคนจีนเนี่ยมาเรียนสิบวันได้ยังประสานวันนี้วันที่สิบมีคนจีนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเรียนสิบแดคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่แยกขันได้ก็มีนะที่เห็นขันแสดงใจรักแล้วก็มีนะในเวลาสิบวันเนี้ยของเราใครสิบปีบ้าง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 สัมรวจตัวเองนะนี่เรียกว่ามีโยนิโสนะคอยสํมรวจตัวเองโยนิโสมนัสิการแยกคายในการสํมรวจตัวเองศีลของเราดีหรื อ, อยังพวกเราศีลศีลดียางตอนนี้ศีลข้อไหนรักษายากที่สุดหนึ่งสสทุกคนลงมติข้อสียากที่สุดเพราะอะไรการเคลื่อนไหวปากเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าการเคลื่อนไหวมือและเทา้านะ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 คลี้วไหวเนี่ยเข้าขั้นฝึกวิทยายุทธขั้นสุดยอดแล้วนะเคลี้วไหวนไม่แข็งกระด้างนั้นวาจาเรานะเราเราถือศีลข้อสี่ยากเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นโทษมากเราเห็นว่ามีโทษนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เหมือนไปขโมยเขานไปขโมยเขาอะไรเงี้ยแบบโทษมากเดี๋ยวติดคุกโทษมากเพราะมีโทษจำคุก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 แล้ในเวลาไม่นานเราก็จะได้ของดีนะแต่ถ้าเราไม่ค่อยทำนะหรือหวังพึ่งคนอื่นเอยก็จะถามโน้นถามคนนี้ไปด้วยถามถูกตัวก็ดีไปนะถามผิดตัวพาเราเสียไปเลยนะมีบางคนนะชอบไปเรียนอะไรมาก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรมาก็รู้แนละ้วกี่ปีกปแล้วนะเจอมันนะจิตมันก็สว่างว่างอยู่ทํอย่างนี้จิมสบาย จิตมันไปว่างสบายอยู่ข้างนอก อ, ะอ่ะกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่ตรงนี้นะเราเห็นเราสงสารเต็มทีเลยที่ดาว้ยกี่ปีมันก็อยู่ที่นี่แหละปีกายมันก็แบบเนี้ยปีนู่นก็อย่างเนี้ยปีหน้าก็อย่างนี้อีกแหล ะ, ะด่าอย่างนี้ก็มีนะด่าแบบเปรีบเปบเปลยนะม <laughs> บางคนพอพูดได้ก็บอกตรงๆเลยที่ฝึกอยู่ใช้ไม่ได้หรอกนะ ฝึกอยู่ทําจิตให้ว่างใช้ไม่ได้นะพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะให้ทําจิตให้ว่างนะท่านสอนให้รู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงนี่ะสอนแยกธาตุแยกขันธ์นี่ส่วนเมื่อทําสําเร็จแล้วนะจิตว่างแต่ว่างคนละแบบมันไปไปว่างอนาถาอยู่ข้างนอกหรอกว่างไม่มีข้างนอกว่างไม่มีข้างในของจริงอะ่ะถ้ายังมีข้างนอกมีข้างในไม่ใช่ของจริงนะบางคนเราไปแซว ม, มันก็สํานึกขึ้นมานี่กามีนะ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 ไม่ได้ผิดศีลไม่ได้พูดคําหยาบไม่ได้พูดสอดเสียดพระเจ้านะพูดด้วยเมตตาพูดด้วยเห็นมีประโยชน์ถึงพูดพูดแบบมีกาะเทศะก็อารมณ์ไม่ดีก็ยังไม่พูดพูดสุภาพเนี่ยองประกอบครบสัมมาวาจานะแต่ว่าเผ็ดร้อนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะวาจาท่านเผ็ดร้อนมากนะวาจาพระพุทธเจ้าอ่ะใครไปเฉียงด้วยนี่ถูกเหมือนถูกเชือดเลยะะ ถูกดักหน้าดักหลังนะดิ้นไม่ออกยอมแพ้ทุกรายที่ว่าแน่แน่นะ ม, มีคนหนึ่งนะชื่อสัจกะ ส, ส, สัจการน้คนนะถือว่าตัวเองจีเนสมากเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วคิดวนะ่า ร, รูปนี้เราสั่งได้นะรูปนี้แหละเป็นอนตาก็เที่ยวไปประกาศนะชวนชวนคนบจะไปโต้กับพระสมณโคดม เราจะเบี่ยงสมณาโคดมนะด้วยคำพูดของเรานอะเหมือนคนมีแรงมากนะจับเสือเนี่ยสะบัดเนี่ยเบี่ยงอย่างนี้เลยนะเราจะเล่นงานสมณาโคดมนะให้เหงื่อรักแล้ออกเลยเนี่ยว่าอย่างนี้เลยนะแหมโฆษณาคนมาฟังเยอะเลยมาถึงนะมันก็มาถามเลยถามถามพระเจ้านะว่าพระสมณาโคดมสอนจริงหนระือว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทีงเป็นทุกข์เป็นปนาาิสิาว่าจริง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 ถามสามผไม่ตอบฟ้าผ่าหัวแตกนะอืฟ้าที่ไหนจะผ่าไอ้คนที่รอฟังเนี่ยมึงหล อ, อกกูมาฟังนะหัวมึงแตกแน่รอบเนี้ยต้องตอบตอบตอบตามที่พระเจ้าถามไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วพระเจ้าก็ถามไงล่ะจะมาเวี่ยงเราเหมือนวูลดผู้มีกําลังมากเหบี่ยงเสือเหบี่ยงเสือในน้ําสักเสือเห็นไหมถูกเราเหบี่ยงซะแย่นละ้ เราชูมือให้ดูเห็นไหมรักแล้เราเหงื่อไม่ออกเลยอแกชูรักแรก้มาสิไอ้นี่นังเหงือแตกทั้งตัวเลยนี่ยคําพูดของพระเจ้าแสบนะอะอย่างพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ก็บอกเลยพวกพราหม์เนี่ยเกิดจากปากของพรอมพระเจ้าบอกไม่จริงหรอกพวกพราหมณ์เกิดจากช่องคลอดของนางพรามมณีดูสิลายไหมเดี๋ยวเนี้ยท่านไม่ได้ผิดศีล น, นะ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 ที่เรียนกับหลวงพอ่อมีใครรู้สึกตัวได้ว่าตื่นได้เป็นคลาล่าลาะไม่ตื่นทั้งวันยังเหมือซีมีไหมเนี่ยรวัดได้ตัวเองไหมวัดได้ไหมวันได้เคยเห็นไหมกายกับใจแยกออกจากกันใครเคยเห็นไหมเชื่อหรือยังว่าขันแยกได้เนี่ยวิญญาชนรู้ด้วยตัวเองต่อไปเนี่ยจะเจอยิ่งกว่านี้นะอีกนะสิ่งที่หอ่อหุ้มจิตเนี่ยแหวกออ ก, กได้เอตอนนี้ยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรอีกหน่อยก็เห็นเองนะ แล้วก็เห็นนะกิเลสส่วนลึกถูกทํำลายล้างออกไปนะจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความหลุดพ้นมีความสุขอันมหาศาลขึ้นมาเราจะเห็นด้วยตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองให้มากเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีนะแล้วก็ช่วยตังให้มากสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอานะเราะจะพัฒนาดได้งั้นจะมาท่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปรรีจะบรรลุไม่บรรลุหรอกงั้นทํานะโดยเฉพาะมีศี่ห้า คิดถึงการปฏิบัติไว้พักเพียรทุกวันต้องทำทำก็ไม่โลภมากไม่หวังผลทำเต็มที่แล้วได้ผลแค่ไหนก็พอใจวันนี้สามารถรักษาศีลได้แล้วแต่ก่อนรักษาไม่ได้ก็พอใจแต่ก่อนจิตใจไม่เคยกระอยู่ก็ น, นั่งก็ตัวเดี๋ยวนี้อยู่แล้วพอใจแต่ว่าถ้าพอใจอยู่แค่นี้หลายๆปีถือว่าใช้ไม่ได้ความดีอยู่กับที่ย่าเท้าอยู่กับที่ใช้ไม่ได้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 ดูการเมืองดูอะไรจะเป็นต้องรู้แต่รู้แล้วทำไงจะไม่ยินเพราะนั่นแหละปกติโยมเป็นคนที่ขี้โมโหมากค่ะหลวงพ่อเชื่อบางทีเวลาลูกสวดมนต์ตอนเช้าแม่แม่เข้าครัวลูกก็สวดนมนต์อยู่ในห้องพระค่ะพอดีเพื่อนบ้านนะคะเขาจะเล่นกับหมาเขาเดื่อตาวาดหมาดังไปดังลั่นไปทั่วเข้ามาในในในบ้านของโยมจ้ะค่ะออบางทีโยมโกรธมากอยากจะวิ่งออกไปด่าเขาเนะะี่ยค่ะพอดีก็ มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเราหลุดไปแล้วอยากเนยดีเลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าลูกควรปฏิบัติอย่างไงเจ้าค่ะถ้าโยมมาได้ดีแล้วนะก็ต้องดีต่อไปอีกนะคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยคนขี้โมโหนะภาวนา ง, ง่ายนะเพราะมันเห็นง่ายเจ้าค่ะสังเกตไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นใจไม่แช่มชื่นุนหงุดหงิดใจอึ ด, อดนะมันดูง่ายเพราะงั้นต่อไป ความโกรธผุดขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นความโกรธมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะตอนแรกลูกเปิดซีดีให้ฟังครั้งแรกๆนะเจ้าคะก็โอ้รู้สึกจะรูกจะฟังไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะธรรมดาเพราะนะว่า อ, อยู่ต่างจังหวัดไม่ไม่ไม่เคยฟัง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 เราทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้น ะ, ะดีแล้วล่ะเดียวะอะ้ต่อไปอเห็นหมหลายงลงดีล <ง S 1> แล้วนะอย่างบอกโกรธแล้ว ร, รู้ว่าโกรธ ด, ดีอย่างเนี้ยรับรองว่าเป็นโสดายัางคนเราเรือกเห็นไหมรัอ อ, อต่อไปอยู่ที่ไหนล่ะกลาบน้มัสการจะส่งกันบ้านนะคะว่ า, าจิตเข้าบ้านหรือว่าถึงฐาน บ้างไหมคะเราเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเคยเห็นไหมตอนที่เห็นนะตัวที่ไม่ได้เจตอนอา จ, จะเห็นนะจิตต้องถึงฐานแน่นอน mm hmm. ถ้าจิตไม่ถึงฐานนะ่ะขันไม่แยกหรอกแต่การถึงฐานเนะี่ยมีสองแบบนะแบบที่เป็นธรรมชาติใจสบายอย่างนี้ใช้ได้กถึงแบบรั้งเอาไวนะ้เ <Yeah. S 2> งี้ยเงี้ยก็ถึงเหมือนกันนะแต่ว่าถือแบบแข็งๆอย่างนี้ไม่เอา ใหมสบายสบายรู้สึกไปสบายสบายเผลอแล้ว ร, รู้เผลอแล้ว ร, รู้ไปตอนนี้ไปคิดหรือยัง<ก>เออใจหนีไปคิดเนี้ยเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วก็จะรู้สึกตัวจิตก็เข้าฐานแต่เข้าแว บ, บเดียวมันจะเข้าทีละขณะทีละขณะนะเป็นช่วงสั้นๆเรียกว่าคณิกะสมาธิมันไม่ใช่สมาธิแบบทรงยาวยาวอย่างอัปปนาสมาธิใจหนี้ไปคิดหรือยังเออเนี้ยอย่างเนี้ยรู้ไปด้วย ใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้นะใจเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะถึงฐานปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะชี้โมโหไหมก็ร้ายเหมือนกันค่ะ น, น, นะให้รู้ทันนะคนโมโหมากอนะ่ะดีดูง่ายหลวงพ่อคะแล้วถ้าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าภายนอกมันอึดกระทึกเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไหมคะได้อย่างน้อยเราตั้งใจว่าจะเดินทุกวันแนอะ เขามาเล่นนิ้วอยู่ข้างบ้านเราเราก็ยังเดินอย่างน้อยเราก็ได้อธิฐานะบารมีตั้งใจจะทำดีแล้วยังไงก็ไม่เลิกได้ดีตลอดอ่ะกราบข้าพเจ้าค่ะเดินไปโกรธไปเดินไปโกรธไปก็ยังดีเห็นไหมหลวงพ่อดีดีหมดอ่ะขอให้ทำก็แล้วกันมันไม่ได้อย่างนี้มันก็ได้อย่างอื่นไม่ไม่ได้สมาธิวุ่นวัยหนวกหูเรา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 ามาพุทธโธอีกพุทธโธพุทธโธเล่นๆใจหนีอีกเรารู้เจ้าค่ะตรงนี้สําคัญนะแต่ไม่ใช่พุทธโธเพื่อให้ใจนิ่งๆล้วพุทธโธเพื่อให้ใจอยู่กับที่นิ่งเฉยอันนั้นไม่ดีเท่าไหร่สู้พุทธโธพุทธโธแล้วใจหนีไปแล้วเรารู้ทันไม่ได้ะไปฝึกอย่างนี้นะเพืยอพื้นฐานที่เข้มแข็งขึ้ น, นกราบธรรมศาส ก, การหลวงพอ่อเจ้าค่ะออครบรอบสองปีไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานแล้ว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 มันรู้สึกขึ้นมาอย่างพยักหน้าเนี่ยยุดรู้สึกขึ้นมาปิ้งขึ้นมานะเฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกจะรู้สึกเองเวลาแปลงฟันเขาจะเห็นว่าร่างกายสกปรกเขาจะปิ้งขึ้นมาแล้วแบบมันแบบโอ้ร่างมันไม่มีตัวตนอะไรเวลาอาบน้ำค่ะเออแต่ว่าเวลาที่เราเห็นสภาวะแล้วนะเราอย่าไปยินกับมันอย่าไปยินกับความรู้สึกเลยอย่ายินอยู่ อ๋อจ้าค่ะรู้สึกหต้องรู้ทันเลยใช่ไหมมากลีบอะไรเงี้ยนะใช่เจ้าค่ะเออให้รู้ทันต้องรู้ทันเลยคะเออใจยังยินอยู่ค่ะพอเราไปเห็นไม่เที่ยงนะมันก็อิน่ยวมันเห็นสกปบก็ไปอิน่ยวมันค่ะใจยังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นกลางตรงนี้นะคะแล้วเวลาที่คนอื่นเขาว่าเราเขาว่าเราแรงๆนู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 บางครั้งเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วเรามีสติและเลือกรู้เองใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราไม่กล้าตัดสินใจว่าสิ่งที่เรารู้น่นคืออะไรแต่มันมีความรู้สึกว่าจิตไอตรงจิตมันเปลี่ยนไปอะครับเราเราเราก็แค่รู้ไปอย่างนั้นใ ช, ใช่ไหมครับรู้นะสำคัญนะแ ต, แต่ว่ารู้ว่ารู้อะไรเนะี่ยไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่รู้ไม่ใช่สำคัญที่รู้อะไร เพราะว่าไม่ว่าจะรู้อะไรทุกอย่างก็แสดงตรลับหลวงพ่อมีการบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมไปฝึกทําถูกแลอ้อก็คือทําในรูปแบบเดิมแลใช่ไหมครับรู้จักจิตออกนอกหรยังจิตเท้าไม่ถึงฐานดูออกไหม อ, อ๋อยังเลยจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมหรืจิตอยู่ข้างนอกผมคิดว่าถึงถึ ง, ถ, งถึงฐานหรือเปล่าครับคือมันไม่คือมั น, ม, นมีความไม่แน่ใจยอยู่ตลอดเพราะ ห น, นี่ผมกลัวผมคิดไปเองอะครับลองอันนี้ซิเอาความรู้สึกตัวนะจับไปที่ลมหายใจแล้วก็หายใจเอาลมหายใจเข้ามาในตัวเราหายใจเอความรู้สึกกลับเข้ามาพอละแค่นั้นพอละรู้สึกไหมเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกณนะขณะนี้ถึงเมื่อกี้นี้อ๋อครับนี่เราหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาแนละ้วครับเยมันไม่เหมือนกันนะ มื่อถ้าใจเราอยู่ข้างนอกนะจะเห็นทุกอย่างแสดงใจรักหมดเลยใจใจนะี่สบายพลืนๆไปเรื่อยๆอ๋อครับถ้าอย่างเนี้ใจจะเริ่มเห็นทุกข์แล้วครับ <patrim> <Cor p. S 1> รู้สึกไหมมันกลับเข้ามาในตัวเราครับครับออย่างนี้แหละเรียกว่าใจไม่ได้ออกไปข้างนอกอ๋อครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็อย่าไปบังคับนะครับอ <patrim> ออกไปอีกเราก็รู้เอาใหม่ว่าออกแล้ ว, ออลวต่อไป น, นี้เราจะจําได้แล้วว่าฉิดออกไปยังไงครับเราแค่รู้ว่าออกแล้วมันจะเข้ามาเอง อย่ารักษาให้อยู่ภายในตลอดนะถ้ารักษาไว้จะอืึดอัดเลยครับผมขอถวายสรุปได้อย่ังสรุปได้อย่างว่าตอนหลวงพ่อถามทีแรกเนยจิตถึงฐานไหมก็จินอยู่ข้างนอกอ๋อแล้วครับครับเห็นทุกข์ไหมตอนนี้ตอนนี้รู้สึกร่างกายนั่งนั่งอยู่เออเนี่ยเห็นไหมจะใกล้มารู้สึกแล้ครับ มันจะไม่กระจายมันจะกระจายกว้างๆใจจะมีแต่ความสุขนะอืถ้ากระจายออกนอกไปจะมีแต่ความสุขเห็นอย่างอื่นไม่เที่ยงหมดเลยแต่เนี่ยสุขอยู่อย่างเงี้ยเคลินสบายไปเ ร, รืยนะจะชา้าเสียเวลาครับแต่อยู่ข้างในก็อย่าบังคับนะบออกข้างนอกเรารู้ออกข้างนอกเรารู้แค่นั้นพออย่ารักษาไว้ภายในครับครับผมขอต่อไ ป, อไปเป็นปฏิบัติบูชาครับเออสาธุ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 <c oughs> ไม่งั้นหนูจะไปไม่ถือไปคิดคิดคิดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ใช้ได้แล้วแล้วก็มีข้อสองคือว่าพอมาปีเนี้ยค่ะรู้สึกจิตมันวัยอะค่ะมัน mm. บางทีมันไปเห็นอีกคนอื่น mm. แล้วอย่างล่าสุดมันไปเห็นหนาคนนิด น, นึงคือ mm. ตอนบอลโลกอะค่ะ mm. หนูก็เห็นว่าตอนเปิดบอลโลกมาหนูก็เห็นว่าเฮ้ย mm. ห, หนูก็เห็นว่ายเยอรมันจะได้เป็นแชมป์ทีนี้หนูก็แบบว่าแล้วมันได้เป็นแชมป์จริงอะเจ้าค่ะหนูก็เอ้ย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 ก่เป็นรางวันที่หนึ่งนะไม่มีใครซื้อเลยเนะีชาวบ้านก็แตกตื่นมานะมาหาท่านคราวนี้มากันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลย <laughs> มามาถามอีกว่าเห็นเลขอีกยังยังยังวันนี้ยังไม่เห็นก็กลับไปหลังนะวันใกล้หวยอ อ, ออก <laughs> เห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวไหนบ้างเห็นหกตัวเนี่ยเห็นทีละหกตัวนะไม่ใช่กระจอกนะ <laughs> โอ้ยชาวบ้านนะถูกหวยทั้งหมู่บ้านเลย ร่ำเรือกันไปทั้งจังหวัดเลยคราวนี้นะไอ้เจ้ามือหวยจะมาฆ่าท่านเอาท่านก็ชักปอดๆเจ้ามือเหมือนกันนะแต่ชาวบ้านเขาบอกไม่ต้องกลัวชาวบ้านคุ้มครองมา <laughs> <laughs> <laughs> คผนประโยชน์ประโยชน์สำคัญปว่าสิสิ่งใดมันาล้อมถ้ำไว้ชาวบ้านมาถามอีกวันนี้เห็นไหมวดที่สามเห็นหกตัว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 ความสุขเนี่ยไม่มีหรอกความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่คิดเอาความสุขจริงๆกนะ็คือการรู้เอาการ<ม>รู้เอาการรู้เอายอมเป็นควา ม, <ย>มสุขอย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะเรารู้สึกตัวไวนะเรรู้สึกตัวงั้นสังเกตไหมตอนที่ยมเล่าเนี่ยมันเริ่มเพลินมันมีความสุขที่ได้คุยนะ ใจมันจะไหลไหลไหลไหลไปเพลินเพนเราต้องไม่ยอมแพ้มันนะไม่ยอมติดมันไม่ติดรสชาติของความสุขอันนี้ครัเอา<ข>ว่ามาเราไม่รู้ไปว่าเอความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอ่ามันมันเกิดจากเกียรตและที่ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่ความสุขจริงอืถูกความสุขจริงจริงนีคือความสุขที่เกิดจากการรู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ขัน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 เคยรู้จักเจ้าคุณนหนอร์ไหมเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยครับเออเจ้าคุณนออหนอร์าวนาเก่งนะบางคนยกย่องเป็นพระลรหันในเมือง อ, อยู่วัดเทพศรินนะท่านบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนะนั้นธรรมะเนี่ยเราไม่พูยเรารู้รู้ระวางรู้ระวางนะถ้าเราพูดปุ๊บเราจะเผลอเราจะไหลไหลไหลไปใ น, นโลกของความคิดของธรรมะ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 แต่อดีจบไปแล้วนะรเรามีชีวิตใหม่ครับแล้วก็นปัจจุบันก็จะปรารบความเพียรแล้วก็มีฉันทะในการทําความดีเราเป็นความชั่วสาธุสาธุนะอย่างนี้ดีคิดถูกครับก็นัปัจจุบันเองก็ดูเหมือนไม่ได้มีคาถามอะไรแล้วก็มองเห็นภาพรวมเข้าใจใน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 แล้วก็กลับมาแต่ในขณะบางขณะที่ฟังหลวงพ่อก็ไม่ได้ยินเสียงนกก็รู้สึกว่าใจกำลังนั่งฟังในสิ่งทีเ่เราฟังอยู่เราก็รู้ว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราฟังแต่ก็คงจะมีหลายๆครั้งที่เผล อ, อนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความหงุดหงิดง่าย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 หนูจะติดตรงที่ว่าคิดว่ามันง่ายค่ะคิดว่าก็น่าจะลองดูนะแค่รักษาสีนห้าเนาะออแล้วก็รู้สึกตัวใช่แต่พอเอาเข้าจริงๆไม่ได้ค่ะก็เอางี้สิเราอย่าไปได้ร้อยเปอร์เซ็นเราก็ได้ให้มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นก็พอละก็ <c oughs> มันจะติดอยู่กับคำว่าทำไมตลอดอเลยค่ะว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมถึงเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยให้รู้ทันเลยเวลามันทาไมขึ้นมานะอ๋อกาลังฟุ้งซ่าน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 รู้ค่ะใช่รู้รสึกไหมรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเลยค่ะแต่อย่าไปติดน ะ, ะอย่าติดในความสุขตรงนี้นะที่ผู้ปฏิบัติมาถูกไหมคะถูกแต่จิตถึงฐานไหมตอนนี้ถึงค่ะไม่แน่ใจอ่ะค่ะแหมรีบเปลี่ยนมันตื่นเต้นค่ะพอหลวงพ่อถามเลยรีชักไม่แน่ใจ<ม>ใหายใจแล้วรู้สึกตัวสิ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 หน้าตามีความสุขมันไปอยู่ข้างนอกหน่อยๆนะคะมันไม่ย้อนเข้ามางั้นมันไม่ถึงฐาน <pier> งั้นพยายามกลับเข้ามารู้สึกร่างกายก็อย่างได้ใครรู้สึกนะร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่าเงี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับเข้ามาถ้ามันไปแล้วมีความสุขมันอยู่กับความสุขไปเรื่อยๆนะจะออกนอกอกลับมาดูกลายถ้าต่อไปมันมีแรงมันก็เข้ามาดูที่จิตได้อ ค่อยๆทำเอาแต่ว่าที่ทำมาน่ะก็ก้าวหน้ามากแล้วละมันก้าวหน้าแราเสร็จแล้วมันเลยไปตกลุมอยู่อันหนึ่งนะคือว่างมีความสุขสว่างสบายขอบคุณค่ะหลวงพ่อเป็นกับดัะแล้วเราย้อนมาดูกายไว้ต่อไปหมดยังนิมมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วเจ้าค่ะ ก่อนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูกิเลสเดี๋ยวนี้มันเห็นกิเลสมากขึ้นโ oh อด e, e. มากขึ้นมากขึ้นแ mm hmm. ล้วมันเห็นเวลาสวดมนเห็นเ mm hmm. ห็นว่ามันเป็นคนละขณะขนาคนละอย่าง mm hmm. mm hmm. แล้วก็มันก็เห็นความเกิดดับความเกิดดับแล้วมันก็เห็นว่าคืนน้ำลายนี่ก็ไม่ได้สวดมนต์พ่อพ่อสวดมนต์ก็ไม่ได้คืนน้ำลายมันเป็นคนละอย่างคนละขนาเห็นความเกิดดับนะคะใช่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 คำว่ามหาสติเป็นสัมนวนเท่านั้นแหละมันเป็นสติที่ถีย่ยขึ้นมาเราไปติดกับชื่อของพระสูตรพระสูตรมีชื่อสติปัฏฐานสูตระสติปัฏฐานมีหลายสูตรสูตรที่ใหญ่ที่สูตรเรียกมหาสติปัฏฐานเราเลยไปคิดว่าสตินี่มีมหาสติด้ว ย, ยวตอตนสติมันถี่ยิบขึ้นมาแนละ้วอัตโนมันค่ะใน ต, ตอนนี้มันเห็นกิเลสมากขึ้นมากขึ้นแต่มันยังไม่ได้ทุกขนาดจิต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 ออโยมกลัวแต่ว่าก่อนตายมันจะลงอบายภูมิสีแค่นั้นอยากให้มันพ้นไปจ ะ, ะกลัวอย่ากลัวถ้าเราฝึกจนสติมันไวนะสมมว่าก่อนจะตายมีเห็นนิมิตเวลาจะตายมีเห็นนิมิตขึ้นมาก่อนนะเห็ <c oughs> นนรกใจกลัวเห็นความกลัวเกิดขึ้นมานะความกลัวตับนนรลกแตกเลยไม่ต้องกลัวเลยแล้วฝึกไว่อย่างนี้แหละปิดนรกของเรา ขอบพระคุณค่ะโยมจะพ ย, ยายามอ่าก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับก็ถือโอกาสเรากล่าวคําขอขมาพระราตนาไตรครับเชิญชวนทุกท่านตั้งนาโมสามจบพร้อมกันนะครับนาโมตัสสะภะคะวะ โ, โตอะระหะโต ส, สัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ส, สัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมตัสสะรักขวัตโออาระหตโอสัมมาสัมพุทธัสสะสับพังอัปปรายังขมทตเมภันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกตังสับพังอัปปรายังขมัตเมภันเต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 ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วย เ, เทิเดเอวังโฮตุเอวังโฮตุโยเจปุเพปมะมชิตวาปัชชาโซนัปปัมมัชติโซมังโลกังประาพาเซติอพภามุตโตวจัจจดิมา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 อิชิตังพัิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนรสโสยทามานิชโชติรสโสยทาสพีติโยวิวัชชันตุสภโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาอาภิวาธนาสีเลสนิจังวุธาปจายิโน จตารโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาเข้าจะได้พ้นทุกไป